สามสี่วันที่ผ่านมานะพระที่วัดก็บางตาแม่ชีกับคารวานะหลายคนนะก็ไม่ได้อยู่ที่วัดนะเพราะทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งโยมก็ไปร่วมงานที่กรุงเทพนะหอจดหมายเหตุพุทธทาอุทปัญโยจัดงานเป็นอัจฉริยบูชา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 พอมีกิจถ้าเป็นกิจที่ต้องเกี่ยวขอ้องกับคนในเมืองเราก็เดินทางเข้าเมืองใหม่เสร็จกิจเ้วก็กลับมาก็มาอยู่ป่าใ ช, ช้ชี่อแบบง่ายๆมันเหมือนกับสองโลกนะโลกหนึ่งก็เป็นโลกที่สงบสงัดที่เราได้ฝึ ก, กจิตเพื่อประโยชน์ตนอีกโลกหนึ่งก็เป็น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 แต่ก็ทําให้เป็นวัดแบบง่ายๆอย่างวัดสนามในก็คล้ายวัดป่าในเมืองอยู่ใกล้เมืองคนก็เข้าวัดได้สะดวกปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนะไม่มเหมือนสกุนสกโตสุกโตอยู่ไกลอยู่ในป่าหลวงพ่อเทียนก็เคยขอให้หลวงพ่อขมเขียนนะไปอยู่ในเมืองนะ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 ูกสายศินให้ออสบายใจสบายใจเพราะอะไรเพราะว่ามีความหวังว่าเดี๋ยวไอ้ความทุกเหล่านั้นมันจะผ่านพ้นไปความติดขัดก็จะหายไปสอบก็จะสอบได้นะกิจการก็จะเจริญรุ่งเรืองเนะี่ยอันนี้มันเป็นการปลอบประโลมใจนะเป็นการให้ความหวัง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 นั้นทางแก้ทุกเนี่ยมันต้องแก้ที่ใจนะซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะอันนี้ก็ก็คือการไม่เบียดเบีย น, ยนไม่ไปก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นก็คือมีศีนนะมีศินเสร็จก็ต้อง อ, อันนี้อาจช่วยป้องกันทุกได้ระดับหนึ่งแต่ว่าทุกมันก็ยังมีนะคนที่มีสินพร้อม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 แต่ว่าคนออกจากทุกข์จริงๆล้วก็คือเจ้าตัวชี้เท่าไหรนะแต่ว่าถ้าเขาไม่ปฏิบัตินะมันก็ไม่เกิดผลนะ้วเคยมีคนถามผู้เจ้าว่าเนี่ยนะุู้เจ้าก็สอนคนมามากมายทำไมบางคนก็ยังไม่พ้นทุกข์สักทนะีก็เหมือนกับว่าจะกล่าวโทษก็เป็นความผิดพลาดของผู้เจ้านะที่คนไม่พ้นทุกข์ พุเจ้าก็เลยตาบพระองค์เนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทางนะพระองค์เปรี่ยนกันมากว่าเนี่ยมันมีทางเดินไปสู่จุดหมายพระองค์ชี้แล้วแต่คนไม่ไปหรือว่าไปแล้วก็หลงกลางทางเนี่ยจะโทษผู้ชี้ทางไม่ได้เพราะพระพุทธองค์เนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทางอพระเราเนี่ยนะก็เหมือนกันนะทําได้อย่างมากก็เป็นผู้ชี้ทาง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 ฝึกให้จิตมันสว่างไม่ใช่แค่สงบชั่วข้างงชั่วกาแต่สว่างสว่างเพราะมีปัญญาและมีปัญญาและเพราะมีสตินะเป็นอ่าเป็นเครื่องเกื้อหนุนอันนี้แหละคือหน้าที่ของพระที่แท้จริงหรือหน้าที่ที่แท้จริงของพระแล้วก็เป็นบอเป็บนบทบาทสำคัญนะเป็นงานสำคัญของพุทธศาสนาด้วยซึ่งหลวงพ่อเขียนท่านก็ได้ทาเป็นแบบอย่างวางแนวทางเอาไว้นะ